สงสาที่ทนพุทธบรษัทั้งหลายเดี๋ยววันเดี๋ยวเวลาก็ผ่านพ้นไปได้อย่างน่าใจหายเวลาการนาฬิกาก็หมดไปได้เดี๋ยววินาทีเหตวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงที่สิบสชั่วโมงก็หนึ่งวันแล้ววันนี้ก็หมดก็ไปหนึ่งวันแล้ว เวลาการจะถึง17นาฬิกาเวลาการก็ผ่านพ้นไปได้ไวมากท่านสาธุชนทั้งหลายโทยดคิดถึงตัวเองบ้างว่าชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปได้ตามเวลานี้ถ้าเราก็ต้องเฝ้าะำระแก่ชลาเสื่อมจสภาพ้าไปไวเลยว่าเสื่อมไวไม่ใช่ความเจริญมันจเจริญลงไป เคลื่อนไป้วกระจาดสภาพไพเิงโดยเฉพาะเราจะเห็นได้บางคนนี่สามวัยท่านจะอยู่ในวัยไหนก็าตามก็เล่ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตามวัยตามวันเวลาด้วยวัยที่หนึ่งนี้ตั้งจะเกิดมาจากท้องของมารดามือนจะเจริญวัยมาจากในท้องแม่เรียกว่าแก อ, ออกมาแล้ว มันไม่เฉยอ่อนถ้าอ่อนมันไม่ออกมามันต้องแก่มาแล้วคลอดออกมามันคือคลอดมาถึงสามคนมากคนก็คลอดมาถึงสองคนวัยเวลาคือการเวลาของเขามันอยู่ในปฐมในวัยคลอดออกมาแล้วถึงยี่สิบห้าปีเขาเรียกว่าปฐมมาวัยหรือบางท่านก็เรียกว่าเบญะเพศ ควาเท้จีิงอเบญญาเพศมันก็ถูกว่ายี่สิบห้าปีเป็นจากยี่สิบห้าเป็นวัยทีย่ต้องรับรู้รับเรียนและรับศึกษาเขาแหวงหาความรู้ทุกทุกอย่างถ้าใครยังอยู่ในวัย2ี่สิบห้าเบนญะเพศแล้วต้องเลรียมหาทุกทุกอย่างเรียนให้รู้ดูจำทำจริง สิ่งใดที่ไม่ทราบไม่รู้รู้ไวใช่ว่าใช่บาปไปถามอยู่ในวนัยนี้ถ้าาแกตไปแล้วแย่ลงไปทุกวันจะไปหาวิชาความรู้ที่ไหนอีกก็คงไม่ได้แล้วมันก็หมดไปการสภาพตั้งแต่อายุนหนึ่งขวบมาตั้งแต่คลอดมาเนี่ยอยู่ในวัยที่ต้องเรียนต้องรู้ทุกอย่าง ถ้ามาันเข้ามาในวัยถึงยี่สิบห้าปีก็ต้องตั้งหลักฐานในวิชาการให้เสร็จเรียนให้เสร็จถ้าถึงอายุยี่สบห้าเนี่ยท่านจะไปเรียนอะไรมันก็อาจจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปเรียนกอดอนอนนอกโรงเรียนมันก็ได้ก็ได้แค่นั้นอยู่ในวัยที่เรียนแค่นั้นแล้ววัยเวลาก็ผ่านพ้นไปมากแล้ว มาชิมมาไวมาแต่ยี่ห้าปีถึงห้าสิบมารยาททางยังอยู่ในวัยยี่สิบห้าไปถึงห้าสิบอในกลางห้าสิบมาถึงยี่สิบห้าต้องเรียนตั้งหลักฐาน ม, มีงานทำให้เป็นหลักแหล่งพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมีงานทำหาหลักแหล่งให้แต่จิใจ ให้มันคงสูกเรือนสูกบ้านเป็นที่อยู่ของตนภายในห้าสิบปีวัยเรียนวรู้วัยที่เป็นครูตัวเองจังอาจปฐมมาวัยนั่นเองหนึ่งขวบถึงยี่สิบห้านชินมาวัยยี่้าไปถึงห้าสิบถ้าห้าสิบแนวเตินจะห้าสิบ แล้วก็หมดฤว่าวัยเรียนวัยสร้างหลักฐานก็จะแย่ลงไปเข้าปัดชิมว่าวัยห้าสิบทวันตายห้าสิบไปหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็เคลียมตัวตายดิกันทุกคนทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่่อต้องดูหัวค้ำฟาท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทอาจโองกับสงครามชีวิตนี้เลย ชีวิตนี้หาความแน่นอนไม่ได้ตัแต่แตังเช้ามืดมาโควนมาตลอดรถชนกันม้าแตกมากกระดูกหลังหักมากแขนหักหมองระเบิดหลายรายมาเช้านี้ยังอยู่ในวัยประถมมาวมัยกมลมาชิมมาวมัยกุล บางคนก็ตายแล้วรถชนตายไปแล้วเมื่อวานท่านพุทธบุตราดแกสาธทุกชนทั้งหลายโรรพิจารณาความประมาทอย่าประมาทอาการที่เรียกว่าประมาทกันมันมีหลายข้อด้วยกันจะไม่ขอกล่าวในขณะนี้ท่านคิดถึงตัวเราทุกคนนะ เ้าประกอบอาชีพการงานหากินก็ต้องเหนื่อยยากมากเพิเ่มเกิดมาเนี่ยยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ยากต้องเหนื่อยลำบากลำเทงใจมากมายถ้ายิ่งจะมีครอบครัวแล้วมือีลูกก็ไม่มีล้านอีก กองการผลงานให้มากมายเพิ่มขึ้นผู้ถึงการค้าการขายบางคนก็บ่นกันไปทั่วไปว่าขายไม่ดีเธอีชติสมันตกมันน่าจะมาไปพูดคือหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิลป์เมื่อสอง7ันหร้อยสิบเจ็ดก็หลายปีแล้วเจ็ดปปีมันจะตั้งใหม่ บอกกับคณอาจารย์ไว้เดี๋ยวนี้คณอาจารย์นั้นยังอยู่มาสองวันไปพูดบอกว่จาจไว้ทนั้นสองนันห้า2้3 7สัมเจ็ดจะเกิดกุลยุกจะเกิดคนตายมากจะเกิดยาสารพัดพิษจะมีบีเบียนจิตใจให้คนหลงหลชัยช่นและเลวลงไปอย่างน่าใจหาย ท่านผู้นั่งเดือนนี้เป็นรองอธิการบอกหลวงพ่อพูดไว้ตรงตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามที่เจ็ดทั้งหลายถ้าพิจารณาดูนะจะเป็นความจริงที่จะมาพูดไว้คนเราจะเปลี่ยนทิศกลี่นทางเปลี่ยนจิต เ, เปลี่ยนใจคนร้ายายดีไอ้คนดีกลับไปเลวร้ายตั้งแต่สามที่เจ็ดมาแล้วเกิดกุลยุก ต้ <c oughs> องริยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากตัแต่สามที่เกิดเรื่อยมาจะเป็นความเพียงนี่แปดตีสามเจ็ดสามแปดสมเก้าสีสิบสีนะ่ 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, นะสี่สองสสามสี่สิบแปดตีเนี่ยก็เป็นความเพีงทุกประารไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยก็มาพูดไว้ก็คนจะตายมากขึ้น เพิ่มขึ้นคุณจะเปลี่ยนใจคุณจะแตะความสามีที่พี่น้องจกท่าลานฟันแทงกันจะแย่งคุ้มบัตรพันธะฐานกันที่มาแปดีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ต่อไปคนฟังม 45, 46, 47, 48, ะสี่สิบห้าสี่สกสีสจ็สีสปสีเก้าเกิดเลยขึ้น มันต้องดูต่อไปในโอกาสข้างหนา้าอย่าประมาทไม่ได้มั น, มมนวด ม, น, มาานุ่ไหวพระเจริญกรรมฐานมรดกของสมเด็จตั้งสมาพุทธเจ้าที่มอบหมายให้เรามามรดกธรรมมีสาคัญมากเราเรียกันมานานแล้วแล้วก็พระที่บวชนั่นก็ได้รับกรรมฐ า, านทุกองค์แล้วจากพระอุปชา ช่นนี้นคือเมรดกที่เบสเดจ้าสอนมาเตสาลูมานะคะทันตาตาโตตาโตทันตาเนะคะลูมาเตสาเบื้องตามปลายผมตายเบื้องบนตายผมขึ้นมาตายเท้าขึ้นมายดินหนอห้าครั้งอ น, นึี้อุเบชาเป็นคนให้กผู้ที่บวตใหม่คลาบบวตใหม่ถ้าทําตามนะรับรองเจเลยลุ้งเรืองรู้นในวัยของตัวเองทั้งสามวัย <c oughs> วัยเรียนวัยรู้อั้งแต่นึงขวบไปเรื่อยๆืต่เนีงยรู้ไห้ใช่ว่าใชบาแบคหามรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้ต้องดูในวายยี่สิบห้านี้ทะ <c oughs> เลยไปแล้วเมาอยากจะรู้อะไรไม่อยากจะเรียนอะไรไม่อยากจะสนใจอะไรแต่ประการใดออกมาอย่างชัดเจน วัยเรียนวัยรู้วัยล้างวัยผลานลูกหลอกลูกแกลลูกต่อกลูกเคาะลูกเลื่อนเลิกเชิญแช่ไม่มากลุกใหม่สมัยแล้วก็เทะเลใจเสไม่เรียนหนังสือพ่อแม่ว่าบังอาจก้าลร้าวกับพ่อแม่มากมายเยอเกินในวัยนี้ใช่ไหม คนเราก็อยู่ในเกื้อกูลยุคที่ต้องยุคสมัยเปลี่ยนสมัยมาแต่โบราณโบราณเขาเชื่อพอ่อเชื่แม่สมัยสุขโขทัยและจัตตานีเขาชอบผอซ่าคนเรายุคใหม่สมัยนี้ชอบทำลายกันไม่มีการที่ชอบช่วยเหลือซึ่อกั น, นการเมนนื่อก่อนก็ชอบทั่วกันปลูกบ้านทั่วกันสู้คดีสู้ สร้างเท่าลาสร้างบวกเขาเขาแรงกันได้เส้นนี้ไม่ได้ละวงค์กลางทุกกฎเบียบนิ้วก็มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจากูโตสุโขทัขทยและจะทัทรานีผู้มีปัญญาแล้วก็เขาชอบละเอียดอ่อนคนโบราณสมัยสุโขทัขทยชอบอ่อนน้อถมถ่อมตนที่จกทักเขาจะเชื่อ แค่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ว่ามันี้เชื่อฟังกับเถียงคำมาตกคว้าลูกใหม่สมัยนี้หยาบคายมากเป็นลูกหลานที่หยาบคายโตโตเถียงต่อพ่อแม่กับครูบาอาจารย์กล้าเล่ามากเป็นความจริงหสแล้วหรือใช่แล้วเป็นความจริงอยู่ในข้อสอง <c oughs> มสมัยสมัยสุโคไทยเขาละเอียดอ่อนเขาจะทำํำอะไรทํโาโดยละเอียดไปลามาไหว้่อนนอนถ่อมตนคนมีคุณธรรมมีสมบัติดูในจุดมุ่งหมายอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีกล้าวล่ากับพ่อแม่เชียงโจกห้าตัวหนึ่งเขายัางเชื่อมาสมัยโบราณสมัยสุโคไทยสุโควิเบโกสมัยพระร่วงจา่า สมัยพระจ้กผู้ลามํำแหง <c oughs> ชอบและเยดอ่อนชอบอ่อนน้อมทำตนต่อผู้หลักผู้ย่างและก่อนหนุนสาวสมัยนี้ยเขาชอบพูดความจริงซึ่งกาเลกันเขาจะใส่แหวนนิ้วนางเสมอคนที่เป็นหนุนเป็นสาวชอบใส่นิ้วนาง นางแปลว่านางสาวเป็นขุนเป็นนางเป็นหญิงเป็นนางนางเหนือปะะแปลว่าละเอียดอ่อนนางแปลวอ่อนน้อมเรียกว่านางสาวหน้าเขาขาวสวยทุกคนอ่อนน้อมทำตนหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาเจอที่วัดศูนย์การแห่งวัฒนธรรมชาติละเอียดอ่อน ทำอะไรอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้แข็งกระด้างทางแข็งตลอดต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ก้าวเล้าต่อพ่อแม่เด็กวุ่นใหม่เป็นอย่างเงี้ม่เสียเป็นนางะนางตัวนี้แปลว่านางสามนมเมื่อก่อนนี่ชายเขาเรียกชายแช้ชายจริงยิ้งนางแปลว่าจึงต่อบุคคลจึงต่ อ, อกันแลกัน ใช้จิตใจตรงกันจึงจะแต่งงานกันใช้เรียกว่ากิเลสหวนนิ่นาแต่เดี๋ยวนี้มันมีเช่นเดียวกันนาหรือไม่นางค้าก็ไม่รับลูกเป้นสาวหรือเป็นแม่ห ม, ม่เป็นคุณแก่แค่ไหนข้าไม่ทราบไม่รับผู้ทั้ง <c oughs> เพราขาดคุณธรรมไร้คุณภาพไม่มีหลักธรรมละเอียดอ่อนคนที่มีศีล น, นั่น มีทาเหมือนอย่างผู้ปฏิบัติกรรมาฐานเป็นคนละเอียดอ่อนบุ็คนอ่อนน้อมทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลมีสติธปรมะชัญญาะเลยจะอ่อนน้อมสมสนเคยเฉียงพ่อแม่ไม่เฉียงแน่นอนสามีภรรยาเคยทะเลาะวิวาดกันจะเลิกทันทีจะพูดจาเพราะพลิ้งก็ะคนเราพูดจาดีดี เข้าใจง้าพูดล่ายเข้าใจยากสามีภรรยาถ้าจเจริญกรรมฐานได้จะอ่อนน้อมอย่างที่กล่าวมาเป็นคนละเอียดอ่อนทำอะไรก็ละเอียด อ, อ่อนอ่อนน้อมถ่ตนปากหวานัตอ่อนมือเป็นหงอน <c oughs> จิตใจก็ดีด้วยสวยน่ารักแต่กงกายเสื้อผ้าก็ดูหน้าดูน่าชม รูป่างหน้าตาก็สะอาดทั้งในจิตใจสะอาดหน้าตาก็สะอาดด้วยถ้าจิตใจสปกปรกลามกในใจน้าจะจะดำ ค, ำคํมุูมหน้าตาจะเครียดเบียดเบียดเฉียดขึ้นกันเลยกันถ้าใจดีมีปัญญาจเจริญสกรรมาฐานได้หน้าตาจะยิ้มละเอียดอ่อนผ่อนคลายได้ง่าย จะหมดโกรธหนอเพี้ยใจยหนอหรือไม่พอใจใครมันจะละเอียดอ่อนไปเองจิตใจจะอ่อนน้อมลงไปจะไม่โกรธจะไม่เครียดแล้วก็จะไม่อิจฉาจะไม่ถูกพยาบาลฆ่าพยูเวนจากท่านผู้ใดจะละเอียดอ่อนตลอดไปในชีวิตสกรรมฐาน <c oughs> คนในสมัยสุขโขทัยนั้นศาสนาขึ้นจากนครพิษณุโลาสู่สุขโขทยัยองค์พระราชาแห่งพสมมากระสรบชงพระหนวดบวชในระาศาสนาศึกษาเล่าเรียนหมดแล้วจึงยังได้ทรงลาพระหนวดออกมาจระ ก, ก า, าศศาสนาเพื่อพระองค์เองแล้วก็สร้างสภูระเจดีเหมือนศีลกาทั้งหมดในสุขโขทยัย สมัยพันปีมาแล้วพานนองนับดูเจ็ดร้อยลายสีวิตไทยเริ่มมาคงศิยาอีกสี่ร้ยเจ็ดปีบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็สองร้อยปีปรัตนโกสีนทร์สองร้อยกว่าเนี้ยสองร้มาตั้งแต่พศสองพันร้อยี่สบห้านับไปเป็นพันกว่าเนี้ยสมัยพันกว่าปีแล้ว มีแค่ที่กู้ไคนเราก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปตาม ส, สภาพภาวะของคนยุคใหม่สมัยนี้คนไร้ธรรมะขาดิีลขาดธรรมจึงบางอาจเก้าล้าววาจาก็แข็งกระด้างกระด้างทางแข็งกับผู้จากระใครก็กระด้างทางแข็งไม่มีการอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่แต่อยากจะการใด จิตใจไม่อ่อนโยนจิตใจไม่อ่อนไหวกาจจะจิตใจแข็งกระด้างตลอดเลยการคนโบราณใส่แหวนนิ้วนิ้งนานเดี๋ยนิสัยจะทุกนิ้วเลยไม่รู้ว่ามีผัวหรือยังไม่มียหรือยังใส่หมดเลยทั้งนิ้วเท้านิ้วมือแล้วก่อนนิสัยไม่ดีใส่แหวนอย่างสวยแต่นิสัยไม่รวยเอารวยไม่ได้ เร แ, แหวนนั้นมันก็ไม่สําคัญเงินทองไม่สําคัญมันเป็นสัญญาณสาคัญของที่จิตใจเราดีหรือไม่ดีคือใจงามไหมจิตใจงามหรือไม่งามจิตใจอ่อนน้อมไหมในข้อสองของคนคือขอชายที่ปฏิบัติธรรมได้เป็นคนละเอียดอ่อน <c oughs> ทําอะไรไม่หยาบคาย มิฉะนั้นเจริญกรรมฐานกว่าจะละเอียดอ่อนได้เนี่ยต้องทำซะแย่เลยท่านทั้งหลายเคยเห็นเขา <c oughs> ตามแป้งหนุ่มเขมไหมตามตามแล้วเอาแรน่งมาล่อนแล้วแล้วต้องมีกาใชนะ่ไหมมีกากแล้วก็เอาเอามาตามใหม่เอามันล่อนใหม่มันก็ต้องมีกานั่นคือคนหยาว พอละเอียดแล้วอ่อนเนี่ยคือหมายความว่าไม่มีกาบก้ะจิตใจก็ดีจิตใจอารีเอื้อเฟือ้อจิตใจไม่ขดัดแย้งกระด้างทางแข็งแน่นอนอยากคายมันจะไม่มีไอ้น้องเท่งเนี่ยเอาไปร่อนเทา่าไหรก็มีกาบระขนาดร่อนออกมาแล้วไปร่อนใหม่ก็มีกาบเหมือนอย่างนั่งเจริญกรรมาฐานจิตใจมันหยาบคายด้วยเกิน นั่งไปมันก็หยาบเช่นกาหนดนั่งกรรมฐานมันก็ต้องปวดปวดทุกครั้งแต่กำหนดได้ไหมบางคนก็โกหกอะไรบอกนั่งสามสิบโมงไม่เคยปวดเลยไม่เมื่อยเลยโกหกขั้งเลือยจะไปนั่งเองไม่มีครูบาอาจารย์ไม่จะรู้ว่าด่าอะไรเหลอไม่รู้เลยคิดว่า มันนั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยเดินทางไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ น, นั่งอยู่เฉยแสดงว่าไม่ด่าเลายเลยไม่ได้เลายเลยนะสอดบตกไม่มีครูมาสอนปวดเมื่อยไม่มีเวทนาไม่มีแล้วก็เจ็บไม่ปรุงชาเจ็บอยู่ชื่อตลอดเายการโกหกข้างเรือแสดงว่าคนนี้หยาบคายมาก ไม่มีความมีเหตุอ่อนโสดการใดพูดจาไม่เปล่งไปเปล่งมาเป็นต้นคนเราที่ละเอียดอ่อนนี้จะพูดจาเปลงไปเปล่งมาพูดจาเนี่ยสามีภรรยาเละหยุดอ่อนไหมถ้าจเจริญกรรมฐ า, านในการตั้งคู่ระวางสามีภรรยาจะอ่อนน้อมต่อกันจะไม่มีการทะเลาะวิวาทแน่ น, นอนสามีภรรยาบางคู่ทะเลาะกันตลอด พูดจาไม่เข้าใจกัน <c oughs> พูดจาร้ายต่อกันถ้าพูดจาดีต่อกันเข้าใจกันพูดจาเพาะเพล่มีเรื่องอะไรก็พูดจากันโดยการกำหนดคิดหนอก่อนจะพูดต้องคิดก่อนจะทำอะไรก็ฉลาดทําฉลาดคิดไหมคนที่มีปัญญาเนี่ยจะฉลาดทาฉลาดคิด ขนาดตัวนี้เปลว่าปัญญาได้เจริญกรรมาฐานได้ปัญญาไหมปัญญาตัวหลับรู้ในกองการสันขานรู้เท่าการเหตุการณ์ของกิเลสนาประการที่มันจะเกิดขึ้นจะจิตใจเรารเกิเลสไม่ใช่ต้องได้แปลว่าโลกกดหลงอย่าไปแปลขนาดนะั้นต้องแปลวะ่ากิเลสคือความเช้าใจยำหมองใจง ความทุกข์ใจความาลมัยไม่มีเจ้าหนองมาจากอะไรจิตใจคุณมัวมาจากอะไรมันจะหาคาตอบออกมาได้คุณมัวมาจากที่ทะเลาะกันคุณมัวมาจากลูกมันเรียนหนังสือมันก็ออกมาเป็นล็อกล็องมันเกิดโทสศพ ก็เร anyway, kind of ียกว่ากิเลสแต่ที่อาจารย์ให้มันถูกจริงๆ้วก็เรียกว่าใจเศ้าหมองบางคนก็บอกว่าพนิพานไอ้เฉียงกันในทีวีเยอะแยะก็ถามว่ากิเลสคืออะไรกิเลสมันไม่ใช่อาการนัตตากิเหลสมันเป็นการเศร้าหมองใจนะจิตใจเศร้าหมองไม่ผงองย ใจไม่สบายถ้าเราพูดแบบสมัยใหม่ก็ายกไม่สบายใจเลยนะไม่สบายใจเพราะลูกไม่สบายใจเพราะสามีก็ทุกไม่สบายใจเพราะลูกไม่เรียนหนังสือคนมีเงินมีทองมากมายไก่กองส่วนมากจะเรียนหนงือไม่จบพอแม่ตามใจขณะไปเชื่อเมืองนอกเมือง น, นาซื้อรถแล้วซื้อรถอีก พ่อแม่ตามใจเรียนเสร็ไม่จบเงื่อนเองินทองช่วยเราไม่ีวิชาความรู้เี่ยไหมช่วยดีเลยไหมช่วยลูกเป็นรับก็ได้นะช่วยสาเร็จในความหมายของชีวิตได้ไหมช่วยเรามีความสาเร็จไม่ได้เลยช่วยให้เรามีทุกนาเงินทองเงิ น, นทองช่วยให้ความสะดวกคือรถ ซื้อบ้านที่สามหลังก็ได้มีเงินแต่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยความทุก่แก้ปัญหาอะไรไม่ไยาค่าไม่จเจริญจะกลับมาฐานถ้าจเจริญจะดูปะฐานสี่เช่นอียาท่านจะแก้ทุกหน้าจุดใจจะไม่สหมองก็กำหนดตังด้งแต่จิตตรงนี้สี่เนี่ยโปรดหนอเสียใจหนอทำให้จริงจงหนอได้ไหม บางคนไ ม, ม่ทำเลยเสียใจก็ปล่อยไปแล้วก็ไปนั่งเอาเองอย่างเนี้ยไม่มีครูบาอาจารที่จะสอบอารมต้องสอบอลรมณ์กก่อนนั่งสักเจ็วันเจ็คืนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสอบอารมทุกคืนว่ันนี้นั่งไปได้แค่ไหนสอบไปได้แค่ไหนเหมือนครูโรงเรียนที่ใช้เป็นครูนเรียนท่านสอนทุกวันนะ ยืดสายนักเรียนมันั่งลัตาแล้วก็มัต้อตงสอนแล้วก็สอนได้มาเทียหกเลยอย่างนั้นใช้ได้เนาะมันต้องสอนทุกวันอลไรๆนั่งเนี่ยมีครูอะไรมาสอนข้างในบ้างประวัตเมื่อยไหมจิตกังวลอะไรไหมจิตคิดอะไรบ้างจิตกุ้งข้างครข้างต่อหนึ่งชั่วโมง แล้วกำหนดของหนョยุบหนョได้ไหมเยืนหมห้าครั้งได้ไหมยืนหไม่ได้เพราะตูกจิตมันห่างกันมากถ้ายืนหนョห้าครั้งบ่อยๆลืนตาดูปลายเท้าหลัตาดูข้างในเยืนหนョห้าครั้งก็ทําได้นะเดินจงกมดูเท้าอย่าไปหยัดตา อย่าไปมองงน่นแล้วท่านเดินสองกลมท่านจะดูแต่ทางก็ได้รู้ว่าจุดนี่ยมีกี่กระแสนี้กี่กระแสมันจะมีกระแสอะไรบ้างแล้วก็ได้รู้ว่าขวาแยกหน่อข้าอย่างหนอนเนี่ยมันเป็นอันเดียวคันหรือเปล่า ห, หรือเป็นโคนละอัน แล้วเจติกห า, าหนดขวาย่างหน่อไปจะเจติกำหนดซ้งอย่างหนอมันดวงอยู่ก็ได้เปล่าดูตรงนี้เรื่องกระสอปลมดูที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยเดินหลับตาตะพึกเดินแตตามสบายารนังงงงงง่งก็ตามสบายไปพลิกไปพลิกมาตลอดสามหมดก็โมมันก็ไม่เหนื่อยสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ปวด ตามใจตามอารมณ์ตามใจตัวเองอาจาทั้งหลายมาไม่สนใจนะนั่ตามใจ ต, ตามอะไรตามอารมณ์ของท่านท่านจะไม่ได้เลยนะจะไม่ได้อะไรเลยตามใจตัวเองเราคนขออยู่เป็นเดือนขออยู่สิ้าวันบ้างเอาให้ท่านจริงๆอย่าตามใจตัวเองถึงเวลาต้องเดินจงกรมถึงเวลาต้องนั่ง เวลาเขาปวดมนไพรไม่ตาเขาแพ้ไม่ตาอย่ากำหนดไปซิเนี่ยมันปวดไหมเนี่ยแล้วการใจปวดปวดแล้วก็เรียนซ์ปวดแล้วก็ออกไปเดินเดินแล้วก็มานั่งอีกง้อทีฉันก็ไม่ดได้ปวดมันต้งแก่หรือเ ว, ดดวทา น, นากําหนดให้ได้กำหนดให้ลุกเข้าไปปวดหนอปวดหนอมายุ่งปวดหนักเรียนเรียกว่าสมาธ ต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันปวดอะไรคุณจะยกว่ากัรมาทานปวดอะไรบ้างกาหนดมาเข้ามาเข้าเกิดขึ้นการดูดับไปแงเวทนาก็แยกออกไปในั่นแหเวทนาแยกออกไปรูปนามขันห้าเปอารมณ์ทันทีขันห้าคือรูปเวทนาทัญญาทั้งขันวิญญาณห้าเลียสอง ลูกกับยามกายกับจิตกายกับจิตเท่า น, นั้นไดารู้แล้วพอรู้แล้วก็แยกนายพอแยกลาไปแล้ ว, ลวมันก็ไม่ผูกวัดจิตก็ไม่ไปกัวงวลเสีงอากับไปเรีนขนาดของเขาจิตก็อยู่ตรงนี้ท่งหนอยกหนอนท่องหนอยกหนอนแล้วก็จิตไม่ไปกัวงวลในการที่ไหนนะเราศึกษาแล้ว เรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจว่ามันปวดขนาดนี้ปวดจนมันตาล่วงโดยจริงทําจริงอย่างนี้แล้วถ้าตื่ก็เกิดขึ้นมีในจิตปัญญาก็เกิดมาว่ามันปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้ารูปมาเป็นอารมณ์จิตกายกับผิดรูปกับนามรูป ก, ก็กคงเป็นรูป เนี่ยตัวลรานี่เป็นลูกมีลูกทั้งนัแต่ตัวหนานมันเคยจิตเรากาหนดเนี่ยจะทําให้มีจิตและหยดอ่อนใครจะพูดกล่าวกระดาษยังไงจะไม่ก โ, มโรมกรธกำหนดโกรธหน้าจะใจแล้วหยากพายนะใจเนี่ยจิตเนี่อยากพายมากใครว่าโกรธเลยก็เป็นแม่ค้าหน่อยไม่ได้หรอกนะใครมาซื้ออะไรพูดมาดีเน่ะกูไม่ขายมือ คนจีนเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะไอ้เสื้ยมึงจะด่าพ่อพ่อคุณแม่กูก็ไม่เป็นไรกูจะสตางมึงให้หลานสตางให้หลานพอพูดนายเกิดก็ไม่ลงขายคนไทยกําลังิทานข้าวเขามาซื้อของซื้ออะไรตานกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวมาคนจีนพยกระเกียบเลยเจียมมวยเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเื่อเลยกัน ช่วของเรือวเือเื่อเชือเชือคนไทยมีเรียกจไหมไม่มีเรืยกจริหรอกคนไทยไม่เอากินข่าโกรธใครมาชืวยของโกรธเนี่ยคือคนไทยเป็นอย่างนี้นคนไทยชอบโกรธคนจีนเขามีกรรมาฐานเ อ, อาห่วงอะไรเชือ่อแค่ห่วงกบแฟห่วงจะจับไหมนะจังหวสุพรบุรีเนี่ยอุตั้งสิ ก็เสบยมีสบดโดเสื้อมันตึงขานด้านมือกันมือกันเงใต้เสบยเขามีท้องโตไม่ออกสัทีท้องโตไอ้ลูกซีประจานลูกหลานสาวไม่ต้องเตยถามบอกว่าแอบทำนายขายของเนี่ยลูกสาวหลานสาวเยอะยานะนี่ครับไม่เตงลายมีหลวงพอไม่เตงลายนะ เราต้องนำมันมันยังไม่เตือนแท่งแท่งมันเปียกร้านขึ้นมางอตัวตรงไหนจะรู้หมดนอเล็กงออะไรัะปูทีเล็กตัวใหญ่รู้หมดอยู่ขนาดเจแกรู้จังกาวสิรู้หมดของเราจะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นี่แ่การนั่งกรรมามาคุ้นี่แค่สวดจุ่นเ้ื่อยเนี่ยคือกรรมฐานะ่ะ ล้มมอะไรอยู่ตรงไหนกระปุอยู่ทรงไหนยึดถูกเนี่ยของเต็มล้านเนี่อาซมเลยมีเล้ามาจะมาเป็นพยานก็มาไมาา่ไากแค่ตาแยแล้วอาชญากรล้มมดอะไรตรงไหนคนเจอเนี่ยมีหัวใจของเขาอยู่อันจำไว้นะอย่าไปโกรธใครด่าเพือ่อพอมอย่าโก รู้ด่าว่าคนพอคนมาว่าว่าก็ไม่โกรธหรว่าจะอธิษรมนหรือให้ด่าก็ขายของให้ด่อของขายให้ดอย่าไปโกรธพักใจแล้วไม่ต้องขายของาไมอยโกรธอย่าโกรธเลอย่าเกียดจด่ายังไงช่างอดทนก็มาถามจะขาอดทนได้คิดเงไนลงนคยงแลงมาบางทียังไม่ทันอะไร เขามารู้ตัวเนี่เกิเขาเาม่รู้เรื่องเลยไปเกิดเขานี่จะลาบบาคนเดียวไหบาปไหมมันจะไปโจทใครเขานี่แหละละเอียดอ่อนของคนโบราณกรรมไม้สุขุไถ่หน้ากรรมฐานละเอียดอ่อนชอบพูดชอเาะหากากจะตูโกมือ เป็นสมัยที่โาไทยก็โค้งงอแบบเขะเพราข้าแต่ค่าไอ้โน้ตข่ามันก็ยังมาใช้ดีอยู่เรียกว่าข้าพเจ้าเอามาใช้ทุกวันเนรียกว่าข้าพเจ้ามีพยานตัวข้าแล้วกว่าพยามเรียกว่าข้าพเจ้ายังใช้การโม่งขานอยู่เรียกว่าข้าพเจ้าทั้งนั้น คำผู้สุขุตันลวเยียดอ่อนตัวนี้ก็คือกรรมฐานชัดๆคงี่มีกรรมฐานเนี่ยจะละเอียดอ่อนจะทําอะไรไม่อยากพายจะพูดจากเกราะจะไม่โกรธใครง้าจะจะไม่ถูกใจเจ็ดต่อท่านที้ใดถ้าเรากําหนดได้นะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยทำเจ็ดยันเจ็ดคืนเนี่ยกําหนดให้ได้เมื่อไรกําหนดจิตเพื่อใครก็กาหนดนี้ ถ้ากั้หมดได้แล้วไม่จะกําหนดอีกถึงเวลาจะเกิดจะไม่สบายใจถ้าคือจาออกมาเ่ียวแทนทีก็คือจะออกมาช่วยเลยจะมาบอกเลยไม่ควรโกรธเขาปัญญาบอกตัวปัญญาสําพันมากไม่ใช่กั้นหมดตลอไปถ้ากั้นหมดได้นะเ่ินหน่อห้าทางได้หมดเลยจะรู้นิสัยคนที่น้ำมองเห็นจะรู้นิสัยเลย เดินัันเน่ะทุสะระงตาชาตาท า, าทาสุสระเยอะก็จะมาแบบอกคุนี้แหละบอกคนเนี่ยคบไม่ได้ปากหวานข้นเปรี้ยวเยอะเลยคนเที่ยวคบไม่ได้ถาล้วคบดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเนี่ยเห็นหนอเห็นเลือดทำยาไม่ใช่ว่ามาเ น, น้นหนอเน้นแหน่เลยก็กากบวาน้นหนอนหนอคุณพูดลุงเขาจะได้อะไรฮะ ขอเจริญพรที่น้องทุกคนโกรธเนี่ยไม่มีดีเลยทําให้ใจเศหมองตลอดไปหาความเยื่ใจและสุขใจไม่ได้เลยอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอย่าไปเบียดฉันโกรธแล้วเกลียดมันทําให้สุตใจเนี่ยเกิดถูกโกรธทิ้งเขาไว้เป็นการฉา รฤศยาเขาในอนาคตหาความดีไม่ได้งั้นมาหาความดีไม่ได้ฉันมีแตใจก็เศาหมองตลอดไปไปเจอหน้าทางการที่ไม่พอใจก็มาหยุนหัวใจเรแล้วก็เป็นคนบาปอยากช้า ม, มาไม่มีคนอยากไม่มีคนละเอียดในใจหาความละเอียดในชีวิตไม่เลยๆออกมาอย่างนี้ ทะเลาะผา้ใจเจ็บเราเคยเจอกานอาตมาทั้งเดวเนี่ยสุรนพรให้ท่านทราบอ่ะเรารักใครอย่ารักหมดเกลยใครอย่าเกลีหมดบางคนที่ไปรักเขาทั้งตัวเลยเนี่ยรักหมดตัวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คิดเหนือคิต้เลยผิดหวังนี่จะพูดแบบว่าอนาคตอย่าจับมั่นค่ามันตาย ผิดหวังเลยจะเสียใจเสุยชีวิกลายเปว่าผิดหวังเขาเกิดเป็นรักคอื่นเสียเราก็ผิดหวังก็เสียใจโดดติดตายเลยข า, ต, ายตัวตายบเมีเขไรก็เห็นดังกล่าวหนี่เรียกเลยชี้เลือดแท้แท้พระเจ้าอยู่บอกว่าดีเพือ่อสกา n d a i รักกรรมก็รักรักหนอเลียหลดหนอโกรธหนอออกมาใช่ไหคือใจก็เปเลเรื่องสบายอุ้มสบายใจ จิตเจ้าก็ไม่ชามหมอจิตใจก็ผ่องใสอย่างนี้เรียกว่ากิเลสไม่มีในใจคือความชาหมองไม่มีตั้งตอบอย่างนี้ใครคนรี้มีกิเลสเนี่ยอย่าไปตอบว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสต้องตอบพ่อแรกว่าใจไม่ดีใจ่าหมอถ้าเราไปเกิดเข้ามาเนี่ย จะไปตาบรักโกรธไม่ได้ต้องตอบว่าใจชาหมองเป็นกิเลสและวทีจะไปตอบตัวโกรธทีหลังว so, like ่าเราชาหมองเพราะอะไรถ้าเราไปเกิดทะเกิดเพื่อนเกิดขีวเกลียดเกิดเกิดโกรธสามีไปมีชู้โกรธสามีไปมีแฟนหม่เนี่อย่างเนี้ยมันก็มาผูกอยู่ที่ใจก็เรียกวาใจชาหมอไม่ผ่องายหาความสุขไม่ได้เลย มีแต่โลกจะโลคหามเบียดเบียนตลอดจะตลอดอรายการอาดีไม่ได้แน่ น, นอนถึงตก็ไม่ปลกใจโกรธตรงนี้เขาเรียกว่ายละเอียดอาละอันนี้เราไม่พอใจใครว่าไม่พอใจไอความโลภความโกรธความหมองน้นเป็นด้วยกันทุกคนลอบอยากได้ของเขาเข้าโลก อยากหน้าความดีที่จะต้องสร้างอย่างนี้ใจไม่ชาวหมองก็จะเป็นเครื่องได้ไแต่พระบาององค์ขึ้นจะบอกว่าอยากหน้าเนี่ยเป็นทีรื่องแต่เราอยากหน้าเนี่ยโดยไม่ได้ไปโกงใครทํามาให้กินอยากได้ข้าวก็ได้ทํานาอยากได้เงินได้ในทองก็ไปค้าขายไปไประกอบอาชีพการงานหากินก็ด้เงินโดยทอง จะเรียกว่าเป็นคดีได้นะไม่ได้เราไม่ถือไปยากหน้าแย่ดีไปโกงเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคดีไม่ใช่คดีถ้าคดีจะทำให้ใจเข้าหมองไม่ผ่องสายเช่นวันนี้ไปค้าขายขาดทุนเราก็ไม่สบายใจเราก็กำหนดนะไม่สบายใจหนอก็ขาดทุนการค้า ประตูดีปัญญาเปิดแม่เชนไลแก้ตัวใหม่ขาดทุนวันนี้เช่งนี้แเรถึงได้กำไรว่าเกิดทีเราก็มีใจขนลเกิดเค่งจะกตัวอะไรอย่างเนี้ยเราก็สบายใจหมดโอกาสที่จะเสียใจ ว, ว่าม่จ่ายค้า ง, ขางเขาเอาลมค้างมันบางคนก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเปนาวเรื่องที่บคนจะคิดก็ไปคิดมันจะมีประโยชน์จากการได้เล่า จะหาเจ้าโยบในชีวิตไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจของน้าปฏิบัติแล้วน้าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือมันเป็นเรื่องกระฉับมากก็คือเวทนาไม่ใช่เกลีดตัวนะเวทนาเลยแต่แม่งก็หน่อยปวดน่องปวดนี่นะตายให้มันตายสิอดทนสิอดทนให้อดทนเลย การอ่อนน้อมทำตีการและยุดอ่อนหมดไปข้อที่สองข้อที่สามนั้นคนไทยสมัยโบราณชอบนอกจิตใจชอบนอกคอบปลูกต้นไม้รากไมใ้ให้ล้มเงาปลูกล้มโพล้มสายไล่ไปบางคาขาปลูกก็ไม้เขียวเริมไปเตินสวัย เมื่อจะชอบงอกและการปฏิบัติธรรมของคนเวลานั้นก็ชอบงอกจิดองอกออกมาจิดงอกออกมาเนี่ยชอบปลูกก็หมากลากม้าปลูกให้เขาใครอยากได้จ้ไนไม้อะไรเอาไปเลยให้ถ้าตนเมง่วงเต็ขมข้าวหนุนก็อะไรเอาไปเอาไปปลูกแล้วก็ม า, า, าชื่อการงานชอบงอกจิดใจงอกถ้าเจิดใจงอกอ่ะเงินไรน อ, องทองไรมาทําใจให้งอกไว้อย่าให้ลบ อย่าให้โกรธอย่างนี้หน่อยท้องนอนทําใจสมายจิตมันงอกมาไหร่จิตเราเขาเนี่ยมันงอกออกมาซึ่ง้า้งหลายในบ้านงอกหมดต้นหมากลากไม้งอ ก, ก, กนานการระเบียแเราก็ลด น, น้ำวนดินชอบเติมหมากลากไม้คนเรายุคใหม่มัยไม่ชอบทาลายชอบกัต้นหมากลากไม้ฉะนั้นต้นไ ม, มน้อะไ ร, ก, ร, มม ก, ร ก, ไก็โค่นมันออกไป แค่ชอบทำลายน้ำใจคนทําลายน้ำใจฉันกับเล็กการ์คนที่ขุดโหดหมอกอะไรจะอยากเนี่ยแค่าทาลายน้ำใจน้ำใจดีๆจะแพ้ทําลายน้ำใจกันเป็นเครื่องก็ทําลายน้ำใจกันไม่น่าจะทําลายน้ำใจกันก็ทําลายแค่อย่างเนี้ยเนี่ยขอให้อยากิโยมกรรมฐานให้ทำความเข้าใจตรงนี้เดี๋ย ไม่มีการกั้นแดดเลยแต่ไปตามเรื่องตามรายยมจะได้้ะไรเหรอมาทั้งเจ็ดวันก็มาดิเรื่องไม่ได้เลยทำให้สุดงอกขึนหน่อเลยไสุดแล้เหยีดอ่อนียังไม่พอต้องคั่งอกเรื่อยสุกใจแล้วเหือดอ่อนเนี้ยจะไม่ทะเลาะกันไม่เราไม่มีโกิดไม่มีเกลียดไม่เหือดฉามถึงกันแล้วกัเหยียดการกัหนดสุดให้มีเสมอต้นเสมอปลายทำรงเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เครียดไม่โกรธไม่ฉาลิสยาขึ้นการกรรมแล้วข้อที่สามมันจะบอกการทาให้จิตงอกพอจิตใจดีแล้วละเอดแล้ ว, ลวมันก็จะงอกขึ้นมือนอย่างเราลดน้ำพรนดินต้หมากลางมามัน้องอกนามถเราลดน้าทีระมาูมไปลดลดทุกขกลดทุกขมันยังยก็จิตใจยังก็สุขจิ มันก็งอกงามอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นนนเราพาไปยกมันที่ยอดให้มันออกหล่ไปไวันแล้วจะออกได้ยังไงลบผิดที่กาความูีผิดทางอยกบที่ลากมันต้องทำใจให้มันดีๆทำใจให้ดีให้ได้ใจจะดีได้แต่ตเพราะอหนาจกรรมฐานต้องต่อสู้กับเวชนะพ้วฉะนั้นนักกรรฐานเนี่ยกับแค่เวช น, นานะระวัง แค่ตามปวดเมื่อยเขาปวดมเมื่อยแยกเลยปลดมเมื่อยแยกเลยแยกเลยก็บอกว่านางดาวพมถมมงศิษย์มองอาตมาไม่เชื่อหรอกมันต้อวทุกครั้งประวัติเนี่ยคอไม่สอนเวท น, นามาสอนเรียกว่สาสมะเป็นการศึกษาเวท น, นาให้เข้าใจว่าใเข้วใจยางมีมัวต ปวดยืดปวดมน้าจนน้ำตาเรือดน้ำตาเลือดองทนนะอดทนนะกอดทนนะติดงอกมางอกมาต้องอดทนนะอยากจะติดงอกมาอดทมัน้ตาเลือดหลายครั้งมันคือก้อนเนี่ยเขาจะทานโทษเหมือนเข็มแทงปวดรูดเล้าแทจะตายเลยมี่ราการจางแจ้งน้ำให้สะอาดเนี่ยมันต้องบาบัดเหนื่อยมาก พอมาบาดนะเหนีนเหนียวที่ถุดแล้วนะ่ยปวดเนี่ยปวดกล้องก็ต้อานโทษปวดจะหลุดเรืองกายให้มันตายตายให้มันตายกำหนดปวดหนอปวดหนอน้ตาเรื่องหลายเพะเกิดขึ้นกลาอยู่ดับไปยายเรียนไม่จะเรื่องเวลาไปปวดเจ็บจะมามันเร็มหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่จะดตัวเลยจะพาตากก็เอาละ พาพาก็ได้นี่นี่เนยหญ่แดงเนี่ยเอาเลยพาเลยถ้าจะไม่ปวดเลยใช่ไหมปวดยายจะบอกก็ขายเถอะไม่ปวดที่นะง่ า, า, ย า, ยายๆสง่งทนอดทนพี่เจ้าสอนอดทนแต่สูสๆๆๆ้กับคลาคลามนระบาด ท, ทนเจ็บใจทุกอย่างถ้าไม่ทำกรรมฐ า, านอดทนไม่ได้ อดทนไม่ได้แร้วนะใครบ้าหน่อยโกรธเลยเี่ยได้กายชาหมอเป็นบาปกรรมทัาายอะไรตอนนั้นพันนรกเลยนะตอนนั้นพนกนะอะไรอยเอำนานาโผล่ผ้าไปจนเปรดอันหน้าโทส่ลงนรกเลยอำนา น, ำนาโมหะไปเป็นสัตวิเดานไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แน่อนอนออกมาอย่าน้ชัดเจนมากขอฝากไว้อาการปวดที่เนี่ย ขอให้กันหมดปวดหนอปวดหนอแค่ผ่านนี่ประตูนี้ฉันผ่านมาจะมาถานบทแรกเลยเนี่ยแล้วต้องผ่านอุปสรรคคือปวดมากต่กางกันหมดเจอดเนี่ยหรือไอ้กันกันหมดติดอกเนี่ยอย่าไปอันดับสอันดับหนึ่งต้องปวดกว่าผ่านทุกคนาใครผ่านประตูนี้ไปได้นะยังอื่นได้หมดมันปวดเม่อยไปตลอด ก็พอภาวน า, าปวดหนอปวดหนอเปวดจนมันตาเลื่องเนี่ไม่หายก็ต้องอดทนอดทนปวดหนอปวดหนอปวดหน อ, หน อ, หน อ, หนอจะได้รู้ว่ามันปืออะไรนะนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็ประการหนึ่งแล้วก็ไอเลื่องใายชร้าหมองเนี่ยมันเป็นประกาศระดับที่สองกายายาปัญมาถือประฐานกายยืนเดินนั่งนอน ยืหมอหอ้าแคงเอาไม่ได้อดีตทำเสียนมากไม่ได้พวกเราต้องคอยดูแลให้ใหเขาทําให้ได้นนเขาจิตก็สะเตยอยู่ด้วยกันให้ได้แต่จก็สะเตยอยู่ด้วยกันได้แล้วจะเกิดปัญญาสิ้นสีจะเกิดการแก้ปัญหาได้ขกเข้าพระติก็จิตนี้จะอยู่ด้วยกันแมนะ้แต่ห้านาทีเราเราก็ยังไม่มีสติกันเลยะ เราจะออกไปนอกคุนอกทางแล้วจะได้ผลกับการใดเข้าขใจคํา น, นี้ให้ได้โยนหมอหา้าครั้งเอาอว้ได้ไม่เคยมาเล่นกันหรือมาหา <c oughs> หาความสงบโดยที่ไม่ถตกดจอกแล้วมันมีความสงบกันเลยนะจะ่าไปคุยกันคุยง้อนอน้อพูดง้อทาความเพี่ให้มากติดจะสะเปรยอยู่ด้กันถ้าอยู่ด้วยกันแจะสงบทันที การอเลยนะจิตก็สตอยู่ด้วยกันเมื่อใดจาสัสงบเมื่อนั้นจะไม่มีฟุ้งเฟ้อนะจิตจะคิดไปไหนก็ อ, ออกไปไม่กา้เวลาเราขนาบเยียนหนอห้าครั้งจิตยังคิดตนนคิดปะวี่เลยใช่ไหมแล้วจ็สงบให้ ม, คงคงหมันได้พอได้แล้วก็ลืมตาขวายาหนอ่อดขวายาหน่อดหยุ ด, ดหาจงหังหวะ แล้วก็ขวาโยกตัวไปย่าหนอลงให้ดาจังหวะแล้วก็ดูที่ใท่าขณะที่เดินรงกคมมานั่งเกิดมีเวทนาหยุดดุดอย่างเงี้ยอย่าย่าไม่ชิดทาหุดกำหนดเวทนาทุ่คอเมื่อยเมื่อยหนอเมื่อยเหื่อหลับตาหลักตาอย่าลืม หลักตาสิบปากแล้วที่คอเนี่ยปวดหนอปวดหนอหรือไม่หนอคอข้อเชื่อแล้วแล้วก็ลืมตาดูเดินตรง เ, เ, เงินต่อไปพอเดินตรงเงินต่อไปเจดคิดอะไรขณะที่เดินเนี่ยมาจะคิดอะไรหลายเรื่องว่าแต่พ ร, ร, รมธกันยุดยุดยุดจะกำลังคิดหนอหลักตาคิดหนอคิดหนอที่ลิ้นตีเนี่ย ยังตืยัยู่ยมฟังอยู่ี่่บทางมาใครบอกล่ะผมบอกับอะผมอางหอะอนงนี่ยตรนี้นะกดตรงนี้คิดหนอคิดหอมันคิดอะไรจังเนี่ยให้จุดมันกลับมาพอจุดกลับมาแล้วก็เดินจุดเดินก่อไปลืมตาเดินจุดเดิน ไม่อยาแต่ทําก็ไม่ได้ไม่ชอบทําันเลยเดินก็ไม่ได้กตายเกิดขึ้นนะเดินไปก็หยุดนะขวาทะย่าหนอคิดและบางคนบอกขวากลับหนอใช่กับไม่ต้องขวาใช่กลับหนอกลับหนอเลยไม่จะไปขวาไปใช่ล่ะถ้าเราตั้งสติอยู่แล้ว กลับหนอกลับหนอกลับหนอลองแล้หยุดหนอหยุดหนออยู่หนอสามครั้งพอหยุดหนอสามครั้งแล้วลืมตาไมไม่ใช่หยุดหนอสามครั้งแล้ยืมหนอห้าครั้งลองแทนแล้วยืมหนอห้าครั้งพอหยุดหนอห้าครั้งแล้วลืมตาดูทาจอไปพอเสร็จมาเราก็เดินออกมา ย, tuo, ย i, mira, ivan, tu, ่อตัวหนอย่อตัวหนอให้ถึงนั่งหนอนั่งหนอนางไดสามอย่างนั่งคัตมาเพชรนั่งสองชัานนั่งชั้นเดียวตัวหน้าสาคนยอมจะหน้าสองชั้นธรรมดาแต่เราก็น่าสองชั้นก็ดีแล้วหน้าชั้นเดียวก็ได้เหาจะยาวๆคองหนอยุบหนอบางคมเนี่ยคองยังไม่ท่าจะหนอ ยุบเนี่ยุบยังในทางหนอพองอะไรเงียก็หาใจชันช่นหาใจใ ห, ยใ ห, ยใหย้ยาว่หาใจห้ยาวยาวหาใจเข้ายาวยาคองจะคองหาใจออกยาวยาวคองจะยุบคองหอยุบหอพดหใจชัน่นกหนดไม่ได้ทมหาใจชันตามเนี่ยอารมณ์ร้อน หยายใจยาวๆกำหนดหนาครอ ง, อ ง, อ ง, อ ง, อง ว, ว่างวายรูญญออ้เดชขันใจจึเป็นธรรมคนนั้นใจารมเย็นลงทันทีใจจะไม่ร้อนเคยทะเลาะกับใครเคยหาเรื่องจับเลิกเลยใจจะเย็นรู้เหตุการ์ได้ดีด้วยขอข้าวญ้าโยมเนี่ยอยากใจยอมหลยหายใจยาวๆนะคนหยายใจยาวๆเนี่ยอาลงณไม่ร้ขนาดเชิงเต็มเหน็บเนี่ย เ, เ, นน เ, เห น, เ น, ยเน็นไม่ดูด้วย หายใจ้า้ว่ากค่งที่่นาคนนั้นกคนนี้ตลอดรายาก่ัวจะเหม็นตัวจะเหม็นจะใสรบบยังไงก็ไม่หายเหม็นอันนี้เรื่องชิงเงินหายใจให้ยาวแล้วมันจะยาวแล้วห้องหนดุนอดให้ใจยาวกหนดได้แล้วถ้า่ดีขึ้นแลสวิตตืกมันอยู่ด้วยกัน ไม่เย็นมอกข้างกางได้เจตก็บอกเลยว่าเราโกหอิจฉาครับอิจฉาแม่หรือิจฉาพี่น้องตัวเองกินเป็นอย่างนี้และตัวเองใจล้อนจะลู้เองโดยึ้นอย่มันจะมาบอกลับการจะเรียนกันมาถามต้องการจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองให้เข้าใจตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราคนอื่นมาบอกเรานี่เราจะเชื่อานายาเหมือนตัวลราบอกเองเราเห็นเองก็ตาเห็นเองก็ตาและเรารู้ด้วยตนเองว่าเาอิจถาแม่มีเรื่องที่เล่ามาเนี้ยอยาจะขอธรรมาราโทษแล้ ว, าาลาลวหายใจยาขึ้นจากคื่เกิดสป็นที่แปหยุบบบกนี้พยายามที่บดีเลยนะยังไม่เจออเมื่อเดือนที่แล้วมาที่วัด คลุ่มตัวหายไปเลยที่เหม็นหายไม่เหม็นเหมืนอนแต่ก่อนมานี่หายใจยาไอ้ถาม่เป็นคนจรินะดูษาที่กรดิยาน่ว่าอย่างนเขายายแต่และปุ่บปัญญาโพธมัสส์นี่หายใจยายามันจะมีปัญญานะบางคนหาใจสัน้เนเนี่ยเวลเรวๆๆๆต่อยกังนง่าเลยเมาโผล่ทำมาโผลมาหน้าแดงหน้าแดงห้ใจให้ใจช้ ใจกางโดไนไม่มีสติเลยใจกางไม่มีสติแต่หายใจยาสั้นิดนึงจะเสียใจว่่เราไม่น่าไปใจรับไม่น่าไปทำเขาม่นอาจจะไปด่าผู้เรยนเนี่ยคัดเจนมากเนี่ยคณาธารอย่างนี้จะไปไม่ไม่ดีชาตินี้สียาใครนี้จะแผ้ไม่ตาอย่างเดียวขอขากญาติโยมมาเออยอะวันนี้ก็เวลาเย็นนละขอฝากเขาทุกคนนะวหวดดน้อก่อน ปวดหนอปวดหนอเนี่ยอย่างแบบผู้ช า, ายเนี่ยหมึงชอบงอกอ่าชอบกอดช้าชอบช้าตัวเองช้าความดีชอบละเอียดอ่อนต้องการให้จุดละเอียดอย่าให้จุดเข้าหมอไม่ไม่ชอบจุดละเอียดเนี่ยจุดจะงอก ท, ทันทีจุดงอกออกไปแล้วเสียไม่สูส่ข้อจดค้อนต่อไป อดทนต่อเกหการ์ไม่เรียนเดียวก็าสามารถจะเอ า, า ร, รักษาแผ่นดินและให้ลูกหลานได้ไม่เรียนเดียก็าสามารถูกบ้านให้ลูกดูได้นี่สมาชิขนุนน้อสู้นะต้องอดทนไม่สืบการเนี้ยเป็นหัวใจของคนขุนขันและเป็นหัวใจพระอรม า, านหัวใจกรรมฐ า, านเลยคนพ่ต่ อ, อชา่งอางเท่า้าตาอัตโนนาโนถตอนนั้ปะทุดเหมือนกนไม่จหมายครึ่งคหนึ่งครับ นี่ชอบพอช่าเขาจะปลูกบ้านโผล่ขนมเจงก็ชอบไปช่วยกันเดี๋ยวนี้มันมีนะใครปลูกบ้านมาช่างกันเม่อทะเลาะแค่ที่ดินเคื่เดียวยังต้องะเละลาะกันโอ้ยนะตั้งที่ดินครื่องนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะมีเครื่องยันที่พั่วไปมีเครื่องยันที่ทั่วไปเคื่เดียวยังไม่ไ ด, ด้ขมอยากหายมากมายคิดว่าจะเอาดินนี้ใครลงผีไป เราจะเอาไปโกงบ้านเหรอะโกงที่ดินเขาเราจะเอาใส่ลวงผีได้เหรอนะเจะไปได้ไหมไม่ได้ดันั้นวิจัยต้องกรรมฐานน่ะขหมยทกวิจไยเช่นอย่างนี้หลายเอี่ยมซึ่งกบท่าตัวเขาก็เชื่อแะคณะผู้ใหญ่พูดยังไม่มีเชื่อเลยครูบาจารย์พูดก็ไม่เชื่อถือพอแม่พูดยังยันเถียงขันมากร่าเด็กเรื่องหนายสมัย คงมีงมีทองมากมายแต่กองไม่ไม่เสลี่็ในการศาึกษามีเยอะหลายลายจะจะไม่ขอพูดไม่ขอกล่าวมีหลายหลายไม่จะมีเงินมีทองลูกจะดีทุกคนนะมีดีทุกคนไหมยากดีมนจนลูกเป็นแล้เตะหลายคนลูกเป็นแพทย์เป็นหมอหลูกเป็สบบาางสถาบันก็เยอะแยะละเอียดอ่อนเนื้อประจิตก็งอกทำอะไรก็ฝุ่นก็หมากลากไม้แห้งงอกงาม ลดน้ำพีลา่าอย่าไปลดพิยอดันออกหลอกไปวางอย่าไปเลี้ยงมันลดน้ำพิลา่าแล้วอมันจะไปเลี้ยงยอดออกหลอกไปใยเหมือนเราเลี้ยงอยที่จิตใจคุณองเข้าใจมสุกใจดีมีปัญญาเมืม่อสุตใจดีมีปัญญาแล้วอะไรจะดีต่อมา คิดดีการงานก็ดีขึ้นงานเดินเงินตามคิดดีคิดมีปกติคิดมีตัญญางานดีงานเดินเงินตามสามการเงินก็ดีขึ้นเั้นว่าการเงินดีขึ้นสอะไรอะไรอยู่ไหมการสังคมดีขึ้นเพราะเรามีเงินเข้าสังคมเราหมดทุกสังคม มีใครเกลียดไม่มีใครโกรธมือเงินมีทางช่วยเขาได้อย่งนี้มีพระมาขอแล้วก็ห้านเอยขอไปชคื่อยเหลือกันมีน้อยให้น้อยมีแหลกการเงินดีการสังคมก็ดีขึ้นการเงินไม่ดีการสังคมดีไหมการมาเลยนี่คือกรรมฐานจังนะเจ็บดีมีปัญญาเนี่การงานดีทันที ขยันหมัอนเพียรตลอดเลยการอดทนลตลอดการงานดีขึ้นการงานดีเงินก็ตามมาเลยงานเดินเงินตามพองานดีขึ้นแล้วอะไรดีงานช่างคมดีเอาไหนก็มีเงินไปช่วยสังคมเขาช่วยส่วนรวมเขา ง, งานก็ดีมีปัญญาแก่ไขปัญหาได้สมกต น, นานี่คือพระธรรมฐาน ขอฝากญาติโยมแม้มีวันนี้จะได้มากเลยผมสมปรารถนาทุกประการขออนุนาจบูบชาทั้งหลายเ ป, ประทานพรให้ญาติโยมทั้งหลายผู้นากันผู้จเจริญประกรรมาฐานจึงคนนึกฉัน ม, มันยาว่าเหลืออยู่ใพระหน้าเข้าภาษาแล้วาสาธหบบูชาตัวพานหน้าเวียนเทียนนะและท่านเปลี่นใจเปลีน่นกิจการงานไว้ ว่าในพรรษา 2,544 นี้จะตั้งใจรักษาโบสดสวดมนต์ไว้าราทีบ้านตลอดใจมากสามเดือนและท่าน จ, จะเจริญรื่นเริง น, นะจะไม่เอาเรื่องกับใครใครจะมาหาเรื่องยังไงอย่าไปสนใจและใครตลอดพรรษาได้ไ้ยเลิกเดินสุลายาเมาเลิเยกยาเสติดเลิกเที่ยว หลังเกิดของเราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ยิ่มพ่อแม่ตายแล้วก็ บ, บังสกุลทิตถาวายไปแล้วกนง้างเจริญกัรมาฐานนลังเกิดไม่จะไปเลี้ยงเราเลี้ยงเหลาใครอีกต่อไปขอแค่หนึ่งพัรษาแทนเจริญเรื่องเลียงผิดปกติผิตใจก็จะดีขึ้นใจก็สบาย อ น, นาคตท่านจะเรื่องเรืองยัฒนาราสาพรสนศาสนาทุกก า, ารที่ท้ทายนี้ขอ้ออานาจบุญมุสมทั้งหลายอำ น, นาจบุญมุสย์ลัช น, นารกายราสาพรครทุกท่านผู้ปฏิบัตกิกรรมฐ า, ามจนจงเจริญเดริย อ, อายุวันหน้าสุขาพลภ า, าพาุภ า, า, า, า, า, า, า, า, า, านทานาศาลถมบัตรเมเจชิงประการดฉนความมุ่งมาตภานาทุการทุกอย่